สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่พับาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตสาวกแท้ของเปเยซูครั้งที่สี่วันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องสละสิ่งสารพัดคือการท้าทายที่ไม่เคยเปลี่ยนเพื่อนครัในเช้าวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคําอธิษฐานคำอธิษฐานหรือคําที่พี่น้องที่รักในพระเจ้าบรรพชนแห่งความเชื่อของเราคนหนึ่งชื่อว่าจิมอีเลียต เขาเขียนไว้นะครับในไดอารี่ของเขาเป็นคำอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาขอให้ข้าพระองค์อ่อนแออ่อนแอเสียจนกระทั่งเกาะสิ่ ง, งต่างในโลกนี้ไม่ไหวและขอให้ข้าพระองค์ปล่อยมือจากชีวิตจากชื่อเสียงจากข้าวของต่างๆของข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์เลิกคิดถึงว่าสิ่งเหล่านี้ดีเพียงใด พระองค์เจ้าค้ามีอยู่บ่อยครั้งทีเดียวที่ข้าพระองค์ปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างหลุดลอยไปแล้วแล้วก็อยากจะได้คืนมาอีกขอให้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ให้มือของข้าพระองค์ว่างอยู่เถิดแทนที่จะจับฉวยสิ่งต่างๆไว้และขอให้มือของข้าพระองค์จะได้รับตะปูที่ตอก พระองค์บนไม้กางเขนให้ได้รับให้ได้จับไว้เมื่อข้าพระองค์ปล่อยสิ่งเหล่านี้ข้าพระองค์ก็จะยึดตะปูที่ตอกไม้กางเขนเพื่อที่สิ่งเหล่านี้จะไม่ยึดข้าพรเจ้าช่วยข้าพเจ้าไว้แต่ข้าพระองค์ก็จะฉวยพระองค์ไว้ พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์นั้นก็ไม่ได้ยึดเกาะสวรรค์หรือความเสมอภาคความเท่าเทียมกับพระบิดาพรงได้ทรงปล่อยขอให้ข้าพระองค์ได้ปล่อยสิ่งต่างที่ข้าพระองค์ยึดเกาะวันยึดเกาะไว้นั้นเช่นเดียวกันเถิดอาเมน พี่น้องครับอย่าให้ใจที่ไม่เชื่อของเราบอกเราว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำตามการท้าทายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพระเยซูในการเป็นสาวกของพระองค์หลายครั้งเราคิดนะครับว่าถ้าเราสละแล้วใครจะดูแลเราพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าเมื่อคนใดเชื่อฝังพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเขา ไม่มีผู้ใดที่เสียสละแล้วจะต้องลำบากลำบากในที่นี้หมายถึงอดตายไม่มีอะไรจะกินอย่าลืมนะครับว่าถ้าผู้ใดเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเขาพี่น้องครับในฐานะที่ผมได้มีโอกาสเดินในเส้นทางนี้เป็นผู้ที่เล็กน้อยเป็นผู้ที่ยังไม่ได้สละทั้งหมดจริงๆ ในเช้าวันนี้เรื่องราวที่ผมจะแบ่งปันก็เป็นการท้าทายชีวิตของผมด้วยเพื่อที่ชีวิตของผมนั้นจะสละมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องครับคนที่สละทุกสิ่งไม่ใช่เป็นคนที่ต้องแบมือขอใครแต่พระเจ้าจะดูแลเขาเขาจะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างครับที่จะทำให้ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาได้สละแล้วเป็นคนงานของพระเจ้าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีประการแรกก็คือว่าเขาจะต้องมีความขยันขันแข็ ง, ขงมีความขยันหมั่นเพียรในการรับใช้พระเจ้าการทำงานเพื่อตอนเองของคนอื่นนั้นทำให้เขาได้มีความจำเป็นที่จะต้องรับเงินทองแต่การทำงานรับใช้พระเจ้า สำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเห็นแก่จำนวนเงินหรือเงินต่างๆที่เขาจะได้คุณสมบัต ป, ประการที่สองนอกจากความเพียรพยายามความขยันขันแข็งนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสาวกของพระเยซูก็คือว่าต้องอยู่อย่างสมถะเขาจะต้องอยู่อย่างประหยัดอยู่อย่างสมถะ อยู่อย่างติดดินเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเงินทองที่เขาได้มานอกเหนือจากที่จําเป็นนั้นเขาจะใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าดูเหมือนว่าข้อนี้นะครับจะอุดมคติเหลือเกินจะมีใครทําได้นะครับนั่นคือเป้าหมายของเราที่เราจะเทียนพยายามในการจะทําจะอยู่อย่างสมรรถและประหยัดที่สุด ประการที่สามเขาจะดูเหตุการณ์ข้างหน้าและเขาจะไว้วางใจพระเจ้าแทนที่เขาจะสะสมทรัพสมบัติต่างๆไว้ในโลกนี้เขามุ่งที่จะสะสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์เป็นทรัพสมบัติที่ไม่มีวันผุกร่อนไม่มีใครขโมยเขาประการที่สี่ครับความไว้วางใจเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าเขาจะไว้วางใจพระเจ้าสำหรับอนาคตพี่น้องครับตาเจนทุกวันนี้เนี่ยมีหลายคนทำงานหนักตลอดชีวิตเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามแก่ยามเฒ่าเขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้มาทั้งชีวิตเอาไปให้ใครครับ ให้เราเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้มาทั้งชีวิตนั้นให้พระเยซูเถิดไว้วางใจในพระองค์และสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานั้นก็คือปัจจุบันนี้แหละครับปัจจุบันนี้ที่เราจะเป็นสาวกที่แท้ของพระเยซูในอนาคตนั้นเราจะต้องเชื่อว่าเมื่อเราสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ เราจะไม่มีวันขาดอาหารเราจะไม่มีวันที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เราจะไม่มีวันที่ไม่มีเงินที่เราจะไปใช้ซื้อของที่จำเป็นพี่น้องครับเราจะเก็บเงินไว้ทำไมในเมื่อเราเอาไปใช้กับคนที่เขากำลังจะรอดพ้นจากความผิดความบาปใช้ในงานของพระเจ้า ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ย้อนถามครับย้อนถามว่าเมื่อเรามีเงินและเห็นคนอื่นขัดสนและเราไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าอยู่ในคุณได้ยังไงอยู่ในผมได้ยังไงท่านย้อน ย้อนถามเราที่งครับถ้าเราเชื่อจริงๆนะครับว่าพระเยซูจะเสด็จมาเราอยากจะเอาเงินเอาทองของเราออกไปใช้เลยไหมครับหรือเราจะให้ชีวิตของเรานั้นตกอยู่ในความเสี่ยงที่ความเย้ายวนเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องอนาคตมันจะทำให้เราขาดบาเหน็จ ในโลกหน้าในชีวิตนิรันดร์เราจะอธิษฐานขอพระเจ้าได้ไงครับให้ช่วยประทานเงินทองให้แก่การงานของพระองค์ในขณะที่เรามีเงินพอที่จะถวายได้แต่เราไม่เต็มใจเราจะสละทุกทุกสิ่งจริงๆหรือเปล่าถ้าเราสละทุกสิ่งจริงๆนั้นเราก็ไม่ต้องอธิษฐานแบบหน้าไหว้หลังหลอก หรือสอนคนอื่นแบบหน้าไหว้หลังหลอกหรือพยักหน้ารับคำเทศนาแบบหน้าไหว้หลังหลอกเราจะสอนความจริงของพระเจ้าได้ยังไงครับในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้เชื่อฟังจริงๆพี่น้องครับสำหรับโลกนี้นะครับคนของโลกนี้คนที่ฉลาดก็จะกันสิ่งที่ตนมีเหลือเฟือไว้สำหรับอนาคต แต่นี่ไม่ใช่ชีวิตของสาวกนี่ไม่ใช่ชีวิตที่ดําเนินด้วยความศรัทธาด้วยความไว้วังใจด้วยคการเชื่อฟังในลักษณะลูกของพระเจ้าคริสเตียนจะต้องมีชีวิตยอยู่โดยพึ่งพระเจ้าครับพี่น้องครับท่านอัครทูตเปาโลได้เป็นเหมือนกับบิดาแห่งความเชื่อของเราคนหนึ่งโดยเพราะอย่างยิ่งท่านเองนั้น ไม่อยากจะเป็นภาระของใครในเรื่องของการเงินเวลาที่ท่านออกมารับใช้พระเจ้าแม้ว่าท่านจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเพราะว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเช่นเดียวกันแต่ท่านปฏิเสธท่านไม่อยากที่จะได้รับสิ่งต่างเหล่านี้ด้วยการสงสารของคนอื่นแต่ท่านรับ การจัดหาจัดเตรียมการสนับสนุนซึ่งปัจจัยต่างๆในการประกาศข่าวประเสริฐจากคนที่มีความชื่นชมินดีจากคนที่มีความเต็มใจในการถวายพีนครับอุดมการหรือน้ำมาไทยของพระเจ้าเป้าประสงค์ที่พระเจ้าต้องการให้กับเราพวกเราทั้งหลายทุกคนก็คือว่าอเววะของร่างกายของพระคริสต์นั้น เราจะต้องใส่ใจกันและกันห่วงใยกันและกันในความต้องการสำหรับปัจจุบันนี้ของพี่น้องของเราพี่น้องของเรามีความต้องการมีความจำเป็นอย่างไรพวกเขาเป็นอวัยวะของพระคริสต์เหมือนกันครับเราจะต้องเอาใจใส่เขาเพียงครับสุดท้ายในเช้า ว, วันนี้ผมอยากจะเชิญชวนครับว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่ดีนะครับดีที่สุด ได้อย่างไรเป็นคริสเตียนที่อยู่ในน้ํามัทไทยของพระเจ้ามากที่สุดได้อย่างไรคําตอบก็คือเราจะต้องถวายชีวิตของเราให้เป็นสาวกแท้โดยการสลัครับเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือสลัทุกสิ่งติดตามพระองค์แต่การตัดสินใจจะต้องเกิดขึ้นวันนี้ครับว่าพระบิดาเจ้าข้าพระเยซูคริสต์เจ้าเจ้าข้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและขอช่วยข้าพงค์ที่จะสละทุกสิ่งให้ข้าพงค์ตัดสินใจวันนี้ว่าข้าพงค์พร้อมที่จะสละทุกสิ่งแต่แม้ว่าบางสิ่งบางอย่างยังสละไม่หมดก็ตามแต่ข้าพงค์ยอมที่จะสละไปเรื่อยๆชีวิตที่ข้าพงค์เคยสละแล้วจะไม่ช่วยกลับมาอีกครั้งจะไม่ช่วยกลับมาอีก เพื่อที่จะไม่ให้สิ่ ง, งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคในการติดตามพระองค์อเมน